การปฏิบัติจิตใจเนี่ยมันเป็นความละเอียดพอสมควรนะถ้าไม่มีผู้มีทางผ่านมาบอกาเตือนความเข้าใจมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันหลายจริงหลายอย่าง การบำรุงรักษาสิ่งใดในโลก <c oughs> จะเท่ากันจะมีคุณค่ามากกว่าการบำรุงรักษาใจไปไม่มีไม่มีถึงท่านจะทำงานระดับทีโอที อยู่ชั้นที่เท่าไหร่สูงกว่าพื้นดินเท่าไหร่ถ้าการรักษาแจก็เป็นงานชั้นต่บเหมือนกันนะบางคนทำงานระดับล้างห้องน้ำระดับทาอาหารถวายพระซึ่งเป็นงานต่าๆแต่ก็ประโยชน์สูงนะประโยชน์สูงระดับสูง ยิ่งงานระดับทางใจเนี่ยเป็นงานข้ามมัตจักรนะบอกให้ถ้าใครได้ทำงานในเรื่องของการพัฒนาจิตใจเนี่ยเป็นเป็นงานข้ามมัตะจักรที่จะเข้าสู่โลกของความเป็นจริงนะถ้าเราลืมตรงนี้ เราก็จะไปเกิดไป ต, ตายต่อไปงานจิตใจนี้เป็นงานข้ามระดับวัตถาเข้าสู่ดินแดนแห่งอมตะธรรมคือความไม่ตายไม่ทุกข์นี่คือเจตนาของพระพุทธเจ้าแต่พวกเรา เกิดปัญหาอะไรขึ้นช่ตัวเองไม่ได้การแพ้ตัวเองคือลักษณะในการที่จะไปเกิดไปตายต่อไปท่านผู้ข้ามวัตตะเข้าสู่โลกของความเป็นจริงท่านนอกตัวเองลงไปกองนับไม่ฟื้นเลย นี่คือคนจริงถ้าเราแพ้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะข้ามไม่ได้นะเวลาก็น้อยลงน้อยลงจิตใจดวงเดียวพากันไปทาอะไรอยู่ใช้สติเข้าไปควบคุมจำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่เป็นขอบเขตปราศจากการเสพการปรุงแตง่ง จิตใจตวงเดียวเท่านั้นนะพวกเราแพ้คนนี้คนเดียวคนทั้งโลกไม่ใช่ยากจะไปด่าไส้ด่าได้เลยจะได้พูดไดพูดได้เลยในเรื่องที่ยากที่สุดก็คือควบคุมจิตใจของตัวเองเหตุที่ไปเกิดไปตายต่อไปเหตุที่มาปนเปื้อนกับความทุกข์อย่างทุกประการอยู่ในเมืองมนุษย์เดียวนี้เพราะอะไร เพราะการไม่รู้ตัวเองไม่ปฏิบัติตัวเองเพราะการแพ้ตัวเองมาตลอดครับแค้อีกก็ยังจะไปอีกยาวนาะนเพราะฉะนั้นไปฉายส่งแสงสว่างท <c oughs> างใจคือพระธรรม พระทําเป็นแสงสว่างทางใจเป็นไปฉายทางใจโดยเฉพาะวันนี้เที่ยงตรงเือกัน